นั้นอศาศะทะเน้นสองอย่างได้หนึ่งปรารถนาด้วยตัณหาอย่างที่สองสิ่งนั้นน่ะน่าปรารถนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเกิดอันท่าจะว่าไปอาสาทะคือที่ตั้งแห่งสุขหรือที่ตั้งแห่งตัณหานั่นแหละเป็นอศาศะทะอย่างยิ่งถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกนะไปเจอคําว่าคุณคุณที่ไหนเช่นถ้าที่ใดมีคุณที่คู่กับมีโทษหมายถึงอาสาธะอันนี้นะ ที่ที่เป็นคัมภีร์แนวพระไตรปิฎกที่ไหลใช้แปลคําว่าคุณเช่นว่ากามนี่มีคุณมีโทษนั้นคําว่าคุณนี่หมายถึงอส า, าธาตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่า โ, โหกรรมมคุณอย่างเงี้ยอ่ะการมมาคุณอย่างนั้นเถอะคุณอส า, าธาแห่งกร ม, มาคุณเนี่ยเป็นฉไนอย่างงี้นะเปลี่ยนรสโททภะเนี่ยนะที่น่าปรารถนาหน้าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดอันนี้เป็น อสสาธาแห่งแห่งวัตถุอนะเป็นเป็นอสสาทาของสิ่งนั้นนั้นก็เขาก็เลยไปแปลว่าเออนี่จะเรียกว่าคุณก็ได้จริงมันไม่ใช่คุณนะประโยชน์แบบศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณไม่ได้นะถ้ากรมาคุณตรงนั้นคุณตรงนั้นแปลว่ารัตรนยคุณะกรรมมาคุณเนี่ยแปลว่ารัตเช่นอันตะคู่นังเนี่ยก็แปลอันตะแปลว่าไส้คู่ะตัวหลังเนี่ยแปลว่ารัตสิ่งที่รัตไส่ ถ้าเป็นการมาคุณก็คือสิ่งวัตถุกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการร้อยรัดนั่นเองเพราะนั้นคําว่าอา ส, สาธ่านี้เราควรทับศัพท์ไว้นะแล้วก็จะได้ค่อยๆ ค, ค, คิดหาความหมายเพราะคําว่าอา ส, สาธ่านี้หมายทั้งตัวกิเลสที่เข้าไปไปติดอย่างหนึ่งและวัตถุนั้นมันน่าติดอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือนิยามของคําว่าอา ส, สาธา่ เนยกตัวอย่างในเรื่องกามนะว่ากามก็มีอาัศทาะานะว่าผู้ใดปรารถนาตามแล้วกามสําเร็จอย่างที่เขาปรารถนาอันนั้นเป็นอาัศทาะาของกามนี้มาขึ้นอาทีนะวะบ้างมาหากว่ากามเหล่านั้นของสัตว์ผู้ต้องการวัตถุ ก, กามเกิดความพอใจแล้วนั้นเนะสื่อมไปเขาย่อมถึงความวิปริตเหมือนถูกยิงด้วยลูกศร อ, อันนี้หมายถึงสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขามีอยู่นะ อุตกว่าจะได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลําบากเนี่ยเมื่อสิ่งนั้นเสื่อมไปเนี่ยเขาก็วิปริตนะใช่ไหมยิ่งวัตถุใดที่เขาได้มาด้วยความทุกข์ความยากความลําบากความเหน็ดเหนื่อยนะถ้าสิ่งนั้นจะจากเข้าไปเนี่ยเขาจะเสียใจขนาดไหนเห็นไหมบางคนเนี่ยร้องไห้เลยเนะี่ยถ้าถ้าวัตถุที่เขาเสียไปเนี่ยนะวัตถุกรรมอย่างเช่นกว่าจะได้บ้านมาเนี่ยพอเห็นบ้านถูกไฟไหม้อะไรร้องไห้โหขึ้นนะลมจะจับให้ได้เลยนะ ร้องไห้มาแล้วอันนี้คือวัตถุกรมเนี่ยนะทำให้เขาเสียใจได้หมดเลยแม้แต่ทังบุคคลที่เขาเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยพื้นทานเนี่ยเขามีอาัศาท่าโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกแต่ถ้าลองบุคคลนั้นนั้นหายไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นอยู่กับลูกด่ามันเช่าด่ามันเย็นอย่างเงี้ยลองมันไม่กลับบ้านดูเหรอนะลูกคนนั้นแหละที่เราด่าบ่อยๆบน่นบ่อยๆเนี่ยนะไม่กลับบ้านเนี่ยเบือร้อนหนักกว่ามันกลับอีก อนั้นคือแสดงว่าพื้นฐานแล้วก็อาสาธาในสิ่งนั้นนั้นตอนหลังจึงมีความทุกโธมนัตมากคําว่าอาทีนวะในที่นี้หมายถึงผู้มีปัญญาเข้าไปเห็นผู้มีปัญญาเข้าไปเห็นไม่ใช่ว่าของเราต้องเสียใจก่อนนะแล้วจึงค่อยเห็นเนี่ยไม่ต้องเนี่ยนะผู้มีปัญญาเข้าเข้าไปเห็นก็อพอเนี่ยนะคำว่าตามเสื่อมเนี่ยมีแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆหน การนั้นเสื่อมไปจริงๆอย่างที่สองตัวเองเนี่ยเสื่อมจากกามนี่นะนผู้ที่บริบูรณ์ด้วยกามเนี่ยนะถ้าตัวเองต้องจากนี่เป็นยังไงก็ก็ทําใจไม่ได้ใช่ไหมไอ้สิ่งนั้นจากก็ทุกอยู่แล้วนะถ้าตัวเองต้องจากสิ่งนั้นด้วยก็ทุกหนักมากนี่นะนั้นะนะพวกนี้ก็วิปรตกเพราะฉะนั้นคนที่เสียใจในโลกทั้งหลายแหละเนี่ยเกิดจากการเสื่อมไปทั้งนั้นนะนะ ขับถ้าตามเสื่อมนะสิ่งที่ผลออกมาที่ให้เห็นคือโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกเกิดจากกามนี่มันเสื่อมไปเพราะฉะนั้นเห็นใครร้องไห้ที่ไหนนะรู้ว่ากามของเขาพร่องไปกามของเขาเสื่อมไปถ้าเครียดเมื่อไหรนะ่เนรู้ว่ากามของเราต้องเสื่อมแน่นอนนะวันไหนเราเครียดนะเออเนี่ยใช่แล้วพระกามมันพร่องไปจะต้องแสดงว่าถูกขัดใจมาอย่างใดอย่างหนึ่งมา วัตถุกรรมนั่นๆที่เราต้องการมันพร่องไปก็เลยเสียใจกลับมาอันนั้นแหละคือโทษของกรรมเป็นอย่างนั้นเมืก็กลุ่มีคำถามว่ามีบ้างไหมวัตถุที่เข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปพอใจด้วยตัณหาแล้วไม่นำมาซึ่งความเสียใจในภายหลังเลยไม่มีน่ไม่มีมมอันนะพระองค์ตรัสในในมหาสุญญาตาสูตรเหมือนกันบอกว่า อพองไม่พิจารณาเห็นรูปแม้อย่างหนึ่งะนะที่บุคคลเข้าไปกำหนัดเข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปติดข้องละเมื่อรูปเหล่านั้นเปลี่ยนไปแล้วจะไม่ก่อให้เกิดโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาสสาหรับผู้เข้าไปยึดไม่มีเลยอารย์อัตตะาท่านก็เลยยกตัวอย่างเรื่องภาษาลิบุตรกับอาจารย์สัญชัยขึ้นมานะตอนแรกก็บอกว่าภาษาริบุตรเดินจากไปก็ไม่มีปัญหาพอบอกโอ้ลูกเสดหายไปหมดเลยนะ จางสันชัยก็อักเลือดเลยจากนั้นอีกไม่นานก็ตายนั้นเกี่ยวกับเรื่องวัตถุ ก, กรารมทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากอนะครเอ่อคับเรียนกุญแจนะครับถ้าเป็นความพอใจในสมถาวิปัสสนานะครับเป็นอสาทะด้วยไหครับถามว่าเป็นสมถาวิปัสสนาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอสาสาทะด้วยไหมเป็นนะัะแต่นี้มันระดับสูงเหรอนะ่ คือถ้าในระดับสูงถามว่าถ้าสมถะเสื่อมไปเนี่ยนะเป็นยังไงนะครับหลายคนเนี่ยร้องไห้เลยนะถ้าถ้าฌานเขาเสื่อมเนี่หรือแม้กระทั่งถ้าผู้ที่รักษาศีลตอนหลังศีลมันเสียไปหรือเสื่อมศีลเนี่ยอะไรเกิดก็เสียใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสมถะวิปัสสนาถ้าเสื่อมไปเขาก็เสียใจแต่ว่าการเสียใจเพราะกุศลเสื่อมดีกว่าดีใจเพราะได้วัตถุกรรมเห็นไหม เพราไหร่เพราะว่าถ้าเสียใจเพราะกุศลเสื่อมนะคิดว่าจะต้องขวนขวายเพื่อให้กุศลเหล่านั้นั น, นเกิดแต่ถ้าดีใจเพราะวัตถุกรามเสื่อมเออขออภัยถ้าดีใจเพราะได้วัตถุกรรมมาประกาศถึงว่าจะร้องไห้แน่เนี่ยร้องไห้ต่อไปข้างหน้าแน่ท่า น, นพระองค์ก็เลยตรัสว่าถ้าได้ยินเสียงหัวเราะของคนทั้งหลายทั่วไปให้นั่นคือเสียงร้องไห้ในวินัยของพระอริยะ หัวเราะกับสิ่งใดแล้วไม่ร้องไห้กับสิ่งนั้นนี่ไหมหายากถ้าสนุกกับสิ่งใดนะเพลิดเพลินกับสิ่งใดเนี่ยโดย ม, มากก็จะอย่างน้อยที่สุดจะไม่สบายใจเพราะสิ่งนั้นกลับมาเพราะสิ่งนั้นจะไม่เหมือนเดิมไม่มีวัตถุใดในโลกที่มั่นคงใช่ไหมเพราะทุกอย่างในโลกเกิดขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนไปทีนี้เมื่อเปลี่ยนไปเนี่ยถ้าบุคคลที่เข้าไปหวังถ้าสิ่งนั้นเปลี่ยนเนี่ยจะสบายใจมาจากไหน สมมติว่าปกติคนเนี้ยยิ้มให้เรามาตลอดเนี่ยนะวันหนึ่งเขาเกิดหน้าทำบึ้งใส่เราเงนะโอ้โหโทรมนัดเป็นอย่างมากนั่นเองพนังมัสซีกล่าวกับพระเวสสันดรว่าคือการที่ลูกหายไปเนี่ยก็ทุกข์หนักอยู่แล้วนะแต่ที่ทุกทุกมากกว่านั้นคือพระเวสสันดรไม่พูดกับนางทุกมากกว่าลูกหายอีกว่างนั้นเพราะฉะนั้นปกตินี้เห็นหน้าพระเวสสันดรแล้วหายทุกใช่ไหมเพราวันนี้เกิดพระนั่งนิ่งเฉยๆไม่พูดด้วยไง น, นะบอกว่านี้ทุกมากกว่าลูกหายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย หน้าเดียวกันเนี่ยที่เคยบอกว่าสุขมากนะตอนหนังก็เศร้ามากก็สิ่งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นเนี่ยที่ไม่เปลี่ยนไม่มีหรอกเนี่ยนะถ้ายิ่งรูปทั้งหลายเนี่ยมีสมุดฐานสี่ประการใช่ไหยถ้าสมุดฐานานั้นเปลี่ยนตาละ่ะรูปมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยนะใครจะมานั่งยิ้มได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเขาก็นั่งบึ้งบ้างแล้วนะมั้งนะคนนี่คนมันก็เดือดร้อนอีกแล้วอ้าวเพราะทำไมเขาไม่ยิ้มให้เราอย่างเงี้ยมันก็เขาไม่รู้ถึงว่าการทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนี้แหลนะเนะี่ยที่ เที่ยงที่ยั่งยืนไม่มีรอกแล้วก็ในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะที่ไม่เสื่อมไปไม่มีเมื่อเสื่อมไปเนี่ยถ้าผู้ที่เข้าไปกําหนัดเข้าไปเพลิดเพลินเนี่ยนะก็ทุกข์มากอย่างที่เราอยู่อยู่กันนี่นะสิ่งที่เรารักมากทะนุถนอมมากคิดหรือไม่คิดก็ตามแต่ก็เป็นอย่างนั้นรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามมานสิการก็ตามไม่มานาสิการก็ตามแต่รักมากอะไรชีวิตเนี่ยนะแต่ที่เรียกว่ารักตัวเนี่ย แต่ถ้าบอกว่าโอ้โหจะต้องตายเมื่อไรเนี่ยนะโอ้อันนี้เสียใจมากใช่ไหยถ้ารู้ว่าโอ้โหจะตายแล้วนะถ้าตอนที่อย่างนี้เนี่ยอาจจะดีใจอ่นะแต่ถ้าเอาจริงๆเข้ามาแน่นะรถปาดหน้านะวิ่งมาตรงๆเลยนะดีใจเลยใช่ไหมเออตายจะได้ก็ดีนะรอมานานแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนี้มานานนะไม่ใช่บ่นเลยนะไอ่เนี่ยขับมาทั้งนี้ทนะําไมเนี่ยแย่เลยนะก็นะถ้าอยู่อย่างนี้ตอนที่กุศลเจริญหน่อยนะบอกไม่รัก่ะ เดี๋ยวเถอะตอนอากูสลมันยอมเข้ามานะนี้ต่อไปอีกนะว่ามาถึงอสานิสระณะบางว่าบุคคลใดหลีกเว้นกามทั้งหลายเหมือนนำเท้าของตนหลีกศรีรษะงที่พบในหนทางฉะนั้นบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติย่อมล่วงพ้นตันหานี้ได้ในโลกอันนี้หมายถึงนิสระณะนะบุคคลใดหลีกเว้นกามทั้งหลาย หลีกตามนะหลีกยังไงการหลีกมีอยู่สองประการอันนี้ถ้าขยายตามนิเทศจริงๆก็หลีกสามนะหลีกโดยตะะลีกในที่นี้โดยแต่ทางข้าประหารวิขำพนะประหารและสมุดเฉทประหารถ้าหลีกโดยวิขำพนะประหารคือหลีกด้วยสมถะกับหลีกด้วยวิปัสนาเอาเอาหลีกด้วยสมถะนะก็หลีกด้วยปฐมฌานทุติยฌานจตุทฌานเป็นต้นหรือหลีกด้วยอรูปสมาบัติทั้งหลาย หรือหลีกด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยนะหลีกด้วยอนุสติทั้งหลายก็ได้อันนี้คืเรียกหลีกด้วยสมถะถ้าหลีกด้วยวิปัสนาล่ะคือการเข้าไปพิจารณาเห็นโทษของกามเหล่านั้นว่ากามทั้งหลายมีความน่า ย, ยินดีน้อยมีโทษยิ่งนักในวัตถุนั้นๆเนี่ยนะกามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเนี่ยนะก็ฝันว่าเคยเป็นนักเรียนรุ่นนั้นรุ่นนี้ ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วใช่ไหมไปสมัครเขาไม่รับแล้วตอนนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเหมือนความฝันเท่านั้นนะ น, นะอันพุกการนะโรงเรียนในร้อนนี่เหมือนฝันเอาเลยนะ <c oughs> ตอนแรกอัสรภาพมากตอนหลังไม่ใช่เลยมนะันคือในสิ่งเดียวกันเนี่ยถ้าถ้าผู้พิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยจะหลีกออกได้อันนี้หลีกแบบวิปัสสนานะหลีกแอบวิปัสสนาคือการเข้าไปพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้น วิปัสนาคืออะไรวิปัสนาคือการไปรู้อัฏฐะและอาทีนวะของสิ่งนั้นน่ะเรียกว่าการเจริญวิปัสนาะนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าโอ้โเรียนกันอย่างนี้เสร็จไปถามถามาสมถะวิปัสนาเขาเจริญยังไงอันนี้ไม่ใช่นะการเข้าไปรู้อัฏฐะอาทีนวะของสิ่งนั้นน่ะเรียกว่าเจริญวิปัสนาอ่าการเข้าไปรู้อัฏฐะแห่งสิ่งนั้นอ่ะต้องรู้มีกรรมสกตาหน่อยนะจึงจะดีอะนะถ้าสิ่งใดเป็นที่ตัง้งแห่งความเพลิดเพลินเนี่ยนะ ในวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งจุติปฏิสนธิได้ไหมได้อันนัะทีนี้ถ้าเราเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งนั้นนำเกิดแน่อันนี้แหละคือเรียกว่าพิจารณาอัาธะในขณะเดียวกันสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงด้วยแล้วการเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นก็ชั่วคราวแล้วก็นำมาซึ่งทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดอันะการเข้าไปรู้โทษอันนี้เป็นการเจริญวิปัสสนานยะคือเข้าไปรู้โทษ เพราะวิปัสนาคือการเห็นโดยประการต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยการเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีวัตถุประสองค์อย่างเดียวเพื่อความเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นจริงๆการเห็นโทษกับเบื่อหน่ายคือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะคือการเข้าไปเห็นโทษในสิ่งนั้นแต่ในขณะเดียวกันนะถามว่าคนโทสะจริเจริญเมวิปัสนาเลยไหมพิจารณาไม่เที่ยงหรือแช่งให้เขาตายกันแม่เนี่ยไห ม, ไมไห ก็สังเกตดูนะการเจริญวิปั ส, สนาคือปัญญาเข้าไปรอบรู้ในความไม่มั่นคงของสังขารธรรมไม่ใช่แช่งเดี๋ยวบ้านนี้ก็เสือ่อมเดี๋ยวบ้านนั้นก็เสือ่อมไม่ได้เที่ยวแช่งเขาแบบนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเพื่อนฐานคนที่ถ้าโทสานเจริญเขาจึงให้เจริญเมตตาก่อนนี่ยนะแล้วจิตจึงมาพิจารณาตามเป็นจริงว่าเออสภาพเป็นจริงของสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะนั้นเอ่อ การพิจารณาเห็นโทษของวัตถุกรรมทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าการหลีกเว้นจากกรรมเข้าไปรู้โทษของทุกสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะเข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างพระนางสุมเมธาเทรีเนี่ยท่านบอกว่าไงก็บอกว่าพบเนี่ยถึงจะเป็นสุขติพบมันก็ไม่เที่ยงอันนี้คือการเข้าไปเห็นโทษถึงเกิดในสวรรค์สวรรค์ก็ไม่เที่ยงนเนี่ยนี่คือการเข้าไปเห็นโทษของสวรรค์เป็นต้นเนี่ยนะ เพราะในการเข้าไปพิจารณาเห็นโทษของตามมาคุณทั้งห้าอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะก็บอกว่านั่นแหละคือการเจริญวิปัสสนาเพราะผู้ที่จะเห็นโทษเพราะเห็นความไม่เที่ยงบางคนเห็นในความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นจึงเห็นโทษอย่างหนึ่งบางคนเข้าไปเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นทุกข์จึงเห็นโทษบางคนเห็นในความไม่มีสาระเรียกว่าอนัตตาในอนัตตาอาสารกัดเถนะไม่มีนิจจสาระโสขสาระโสภาสารอัตตาสาระอยู่ในวัตถุนั้นเลย เพราะนั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเั้นการเจริญวิปัสสนาเข้าไปเห็นในวัตถุนั้นเพื่อความเบื่อหน่ายะนะความเบื่อหน่ายมีคุณซึ่งจะกล่าวต่อไปอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นผู้ที่นิสรณะด้วยอขออภัยผู้ที่หลีกจากกามด้วยวิปัสสนาคือการเข้าไปพิจารณาหรือการหลีกจากการมด้วยสมถะคืออะไระนะเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยนะก็ อริยะสาวกเมื่อใดที่เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยนะราคะกลุ่มรุนไหมไม่กลุ่มรุมเมื่อราคะไม่กลุ่มรุมมา น, นั้นก็หลีกจากการมเหมือนกันแต่หลีกด้วยสมถะถ้าพิจารณาโทษภัยทั้งหลายของการมนั้นหลีกด้วยวิปัสนาไอการหลีกอย่างแท้จริงเนี่ยจะต้องหลีกแค่ไหนก็บอกว่าต้องสมถะวิปัสนาให้เป็นสมุดเฉดเนี่ยนะหลีกจากวัตถุกรรมที่เป็นอบายอย่างหยาบด้วยโสดาปฏิมา หลีกวัตถุกรรมบางอย่างด้วยสกทาคามิมักหลีกวัตถุกรรมบางอย่างด้วยอนาคามิมักหลีกวัตถุกรรมบางอย่างด้วยอรหัตตมักอันนั้นเป็นการหลีกออกจากกรรมอย่างอย่างแท้จริงนะของเราอย่างทั่วทไปนี้ก็หลีกเหมือนกันแต่หลีกโดยมากก็หลีกชั่วคราวก่อนใช่ไหมแต่การหลีกชั่วคราวแล้วตั้งอัธยาศัยเอาไว้เพื่อหลีกอย่างถาวรงั้นเถอะเพื่อหลีกอย่างถาวรนะเจริญกุศลเนี่ยพยายามตั้งอัธยาศัยว่ากุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเพื่อ กุศลชั้นสูงโดยเฉพาะอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคเนี่ ย, ยเกิดจากการตั้งอุปนิสัยเอาไวน้นะไม่ใช่อยู่ๆนะเอ้อริยมรรคมันจะเกิดได้ยังไงถ้าเราไม่เคยตั้งอัธยาศัยมาก่อนเนี่ยอริยมรรคเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้อยู่แล้วมันสังขารมันจะแตกทําลายแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะทลายไปขนาดไหนถ้าไม่เคยตั้งอัธยาศัยนะอริยมรรคเกิดไม่ได้ก็จึงบอกว่าโลกุตตระจิตเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจิตที่แบบเหมือนกับว่ามาแปะๆไม่มีภูมิเป็นของตัวเองเ โลกุตรจิตอยู่ที่ภูมิไหนไม่มีภูมิเป็นของตัวเองอะไรหรอกมันอ่ะนะเป็นจิตที่ไปแปะอยู่กับกรรมมาภูมิอย่างหนึ่งรูปาวจรก็มีอรูปาวจรก็มีไม่ได้เกิดมาโลกุตระเกิดมาเลยใช่ไหมไม่มีเพราะนั้นก็ต้องไปแปะอาศัยในกามมาวจรคือคือไอ้คาว่าภูมิในที่นี้โดยทั่วๆไปเน้นที่วิบากจิตที่หมายถึงภวังเนี่ยนะโลกุตระจิตจะต้องไปมีผวังเป็นพื้นฐานรองรับในกามมาวจรบักรูปาวจรบ้าง อรูปาวจรบ้างนะถ้าไม่เคยตั้งอัธยาศัยมานะจปะปฏิสนธิในการมภูมิรูปภูมิมารูปภูมิยังไงกี่รอบกี่พลัดก็ตามโลกุตระธรรมเกิดไม่ได้เพราะถ้าไม่ตั้งอัธยาศัยเอาไว้เนี่ยนะการที่จะตั้งอัธยาศัยให้ถูกให้ตรงก็คือเมื่อพิจารณาโทษแห่งกามแล้วก็ตั้งอัธยาศัยเอาไว้เลยเดี๋ยวซึ่งในส่วนนี้เราจะกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งว่าวิปัสนาเป็นโวสักขะโวสักขะจะกล่าวอีกครั้งหนึง บุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเนี่ยนะมีสติในทีนี้ก็คือมีสติประฐานคือพิจารณากายกายานุปัสสนาในกายเนี่ยนะเจริญเวทนานุปัสสนาในเวทนาเจริญจิตตานุปัสสนาในจิตเจริญธรรมานุปัสสนาในธรรมะเนี่ยนะก็คือเจริญอะนุปัสสนาเป็นต้นนั่นเองฉั้นผู้มีสติอย่างนี้อพิจารณากายเวทนาจิตธรรม หรือถ้ามีสติเอาบริบูรณ์จริงๆเนี่ยสติเนี่ยถ้าเจริญกายนะวัตถุประสงค์ตรงๆละอะไรสุภาพวิปลาสพิจารณาเวทนาละสุขาวิปลาสพิจารณาจิตละจิตตวิอนิจจานิจจเที่ยงนะนินจจาวิปลาสถ้าพิจารณาธรรมะละอัตตวิปลาสการถ้ายังมีกายเวทนาจิตธรมเป็นอารมณ์อยู่เรียกว่า ละชั่วคราวชั่วคราวขณะที่พิจรารณาแต่จะละเด็ดขาดเมื่อมีสิ่งที่ไม่ใช่กายเวทนาจิตทำเป็นอารมณ์เมื่อออกจากกายเวทนาจิตทำเป็นอารมณ์จริงๆ จ, งจึงจะละวิปลาสได้อย่างแท้จริงนะถามว่าอารมณ์มันั้นคืออะไรพันิพานเมื่อมีนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยอันนั้นแหละจึงจะละตัณหาได้อย่างแท้จริงตัณหาชอบใจใน เป็นจากการมมาคุณตันหาเนี่ยชอบใจในวัตถุกรรมเท่านั้นถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ที่ไม่ใช่การมตันหาเลิกชอบเพราะฉะนั้นพระนิพพานก็บอกว่าเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลัยเป็นที่ตัดฉันทะเป็นที่ตัดราคะทั้งมวลเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นะเพราะว่าถ้าเราที่จะมาความไม่เที่ยงของรูปนะเดี๋ยวก็หันมาชอบรูปอีกใช่ไหมเพราะยังไม่ได้ออกอย่างแท้จริงถ้าออกด้วยการมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อไหร่จริงก็เรียกว่าออกอย่าง แท้เนี่ยนะออกแท้ออกจริงเมื่อว่าเมื่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าการที่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ไม่ใช่เที่ยวค้นหาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะนิพพานอยู่ตรงไหนนัก็บอกว่าที่ใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาถ้าจะเกิดก็เกิดในวัตถุนั้นความสิ้นตัณหาก็ตัดฉันทราคาในวัตถุนั้นได้จึงเรียกว่าเป็นนิพพาน เนยตัดชั้นธราคามตัดด้วยแต่ทางข้าวิคัมพนะและสมุทเฉทะการละปัญหาเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ได้ไปละในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งโทสะนะแต่ให้ไปละในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักและความพอใจนะท่านท่าจะเจริญวิปัสสนานะให้เอาวัตถุเป็นที่รักเป็นที่พอใจอะมาพิจารณาให้มากไม่ใช่ว่าไปเอาสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่แล้วมาพิจารณานั่นไม่ใช่โอ้ยนั้นมันไม่ละมันก็ละโดยโดยจิตแล้วใช่ไหม จิตมันถอยกลับจากวัตถุที่เราไม่ชอบอยู่แล้วพะะนันก็การเจริญนิปั ส, สนาให้เน้นไปพิจารณาในวัตถุอันไม่เป็นที่รักเออขอันในวัตถุเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นเป็นหลักมันผู้ที่มีสติอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าเลื่องพ้นตัญหาตันหาอีกชื่อหนึ่งบอกตัญหาเชื่อวิวสัตถิกาตันหาเนี่ยมันมีแล้วมันเสียหายยังไง มันก็ดีนะบอกว่าผู้ที่มีบุตรก็เพลิดเพลินในบุตรผู้ที่มีทรัพย์ก็เพลิดเพลินในทรัพย์ความเพลิดเพลินเป็นสุขอย่างยิ่งอนะมันสบายหยอกกใครเพลิดเพลินนะนะมันเสียหายยังไงว่าดูทีว e ีแล้วขำขี้ๆเสียหายตรงไหนเออเราเรามีรถสวยอ่ะก็เรามีอ่ะเราจะยิ้มกับรถเราจะเป็นอะไรไปเสียหายอะไรถ้าเรามีครอบครัวเนี่ยเราก็มีความสุขกับครอบครัวมันเสียหายอะไรมีบ้านมีช่องมีทุกอย่างเนี่ยมันเสียหายยังไงนะอ่านะตั้งโจทย์นะ อ น, นะก็ย้อนกลับไปหาอัสาธะใหม่วัตถุใดเป็นที่เราเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจวัตถุนั้นที่ที่ไม่นำมาซึ่งความทุกข์มีไม้อันนี้อย่างหนึ่งก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่เย็บเอาไว้เย็บอะไรเย็บภพบเอาไว้กับภพบของเรานละ้ทิ้งการมมาภพอันนี้ก็มารู้ถือเอาภพอันไหนนะถ้าได้ฌานก็ยึดเอารูปภพแทน ถ้าไม่ได้ชานก็เอาการรมมาพบอีกกรรมมาพบก็มีเกิดหลายชนิดเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายเกิดเป็นโอปปาติกะก็ดูเอานะว่าจะไปเกิดส่วนไหนนะก็ตามกําเนิดนั้นไปตามหาเนี่ยเย็บพบเอาไว้กับพบเย็บกรรมให้มีวิบากกรรมทั้งหลายเนี่ยนะสมมุติว่าเราลืมจริงๆนะสิ่งที่เราลืมมีเยอะแยะนะแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ลืมเรานะมีไหมเราลืมสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นไม่ลืมเรา เช่นป่วยใครเนี่ยนะใช่มันเพลินนะอ้าวลืมป่วยไปอีกแล้วมันแล้วก็ป่วยแล้วก็ไอ้ที่ไม่ลืมเราเลยนะที่ผู้การพูดเสมอๆ อ, อย่างหนึ่งคือความแก่กับความตายเนี่ยเราจะลืมนะสมมุติถ้าเราลืมแบบนั้นเนี่ยไม่สนใจแต่ความแก่ความตายก็ไม่ลืมเรามันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ลืมเราก็คือกรรมอันเนี้ยไม่รู้ว่าฉันไม่ลืมหรอกแกจะลืมฉันไม่เป็นไรลูกนี่ทั้งหลายโดยมากเขทั่วไปมันจะลืม ว่าเอเราติดนี่ย้ยลืมไปเลยนะเจ้าหนี้เขาไม่ลืมอ่ะกรรก็เหมือนกันนะถ้าเราลืมก็ช่างอแต่วิบากเนี่ยนะถ้าได้ปัจจัยพร้อมนะก็บอกว่าไม่อากาศุปปนะเนี่ยนะโอกาสะอุปปนะเนี่ยเขาเราียกว่าโอกาสตุปปนะถ้ากรรมนั้นมีกําลังนะมันแหวกไปให้ผลได้หมดในคาถาธรรมบทบอกว่าขอให้คุณอยู่บนฟ้าเถอะนั่นะนะก็บอกว่ า, าสมัยโบ ร, ราณไม่มีเครื่องบินใช่ไหมก็กยกเฉพอะนกเลยนะ นกก็ถูกสอยร่วงเลยนะสมัยนี้อยู่บนเครื่องบินก็ระเบิดบนนั้นแหละนี่ น, นะสมัยนี้ก็ก็ใช้เหล็กบินขึ้นไปก็เหล็กมันก็แตกกระจายเหมือนกันนั่นแหละถ้าอยู่ในน้ําห่ะก็ท่ามกลางมหาสมุทรใช่ไหมท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นอะไร่นะเพราะคนมีสตังบางคนเนี่ยขับเครื่องบินเองเลยนะแล้วเครื่องบินไปจมตายท่ามกลางมหาสมุทรนี่นะเพราะนี้ไปอยู่กลางสมุตก็ไม่พ้นไปอยู่ในซอกเขาอะนนถ้ายิ่งสมัยใหม่นะ ก็บอกว่า้าถ้าเป็นทหารเนี่ยนะสมัยสงครามแบบสมัยใหม่เลยนะหนีไปอยู่ในถ้าจะดีไหมระเบิดใกล้ๆเนี่ย น, นะสะเทือนนะ้อะไรจะเกิดขึ้นบอกว่าน่าจะง่ายกว่าปกติด้วยซ้ําไปนะทุกการถ้าถ้าถ้าเราไปอยู่ในถ้ำนะแล้วระเบิดสมัยใหม่นะมันมีระเบิดแบบตกลงมาแล้วมันสว่านก่อนนะสว่านลึกไปกี่เมตรแล้วค่อยแตกเนะี่ยนะว่ามีสมัยทันสมัยมากเพราะฉะนั้นหนีไปเถอะไปอยู่ถ้าไหนล่ะเนี่ยนะ บังเกอร์สมัยใหม่ไม่ค่อยได้กินแล้วอยาเจออาวุธสมัยนี้เข้าไปใช่ไหมแล้วก็มีแบตเชั่วโรคมีอะไรสารพัดมันถ้าบาปให้ผลเนี่ยหนีไปเถอะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นเนี่ยนะก็กุซาเนี่ยนังนงยย่งนั่งกันอยู่ยังยังปวดท้องปวดไส้มีที่ปวดขึ้นมาได้หมดเลยมันไม่พ้นหมอโรคหมอหมอโรคมะเร็งก็ยังเป็นมะเร็ง หมอที่ผ่าตัดก็ยังถูกผ่าตัดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยนะที่สุดแม้แต่ขนาดนั้นพปัญหาเนี่ยมันเป็นตัวเย็บให้กรรเย็บกรรมให้มีวิบักิเพราะฉะนั้นตัญหาเนี่ยจึงเลวร้ายในส่วนนี้เนี่ยนะผู้ที่รักสุขเกลียดทุกข์ก็พึงเว้นจากตัญหาพราฉะนั้นก็บอกว่าตัญหาเปรียบเหมือนอาหารสแสลงอาหารสแสลงต่อโรคเนี่ยนะ นั้นถ้าถ้าเราปรารถนาความกเกษมจากโรคก็พึงเว้นจากตัณหาเพราะวัตถุใดที่เราพอใจนะวัตถุนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยทําไงล่ะต้องเสียใจก่อนไหมจึงจะเห็นโทษในเสียใจบางอย่างเนี่ยโอ้โหถ้าสมมุติว่าไปเสียใจประเภทไหนบุญเราไม่ได้ทําไว้เลยบาปเราก็ทําไว้บานแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกเลยนะต้องรอตอนนั้นก่อนไหมไม่ต้องไปรอตอนนั้นเนี่ยเราคุยกับโยมพบาลกันแล้วกัน มันไม่ได้แล้วมันก็ต้องฝึกเอาไว้เนี่ยนะฝึกที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะทั้งการหลีกเว้นจากกามเนี่ยนะลีกเว้นจากกามในอบายด้วยศีลหลีกเว้นจากกามในอบายภูมินะด้วยศีลด้วยกุศลกรรมบทลีกเว้นจากกามมสุษคติมนุษย์กเทวดาเนี่ยด้วยด้วยรูปประชานหลีกเว้นกามระดับรูปประพบด้วยอรูปประพบ หลีกเว้นจากกรรมทั้งมวลด้วยอรหัตตมัคเนี่ยนะนะจึงจะหลีกออกจากการมทั้งหมดนั้นผู้ที่ เ, เป็นพระอรหันต์คือผู้มีสติบริบูรณ์เป็นผู้ที่หลีกจากกรรมได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะหลีกได้อย่างแท้จริงเนะี่ยะของเราก็หวังใจว่าสักวันหนึ่งก็ต้องออกได้บ้างนะนะงอม่ยึดตลอดไปอยู่แล้วนะเรียนถามพระคุณเจ้านะครับกรมคําว่ากรมาคุณกับวัตถุกรรมนีม่จะมีความแตกต่างอะไรกันบ้างไหมครับ วัตถุกรมกับกรมคุคเนี่ยกรมมงคโดยอักไม่น่าตา่างแต่กรรมมุณทั่วๆไปจะอธิบายในลักษณะสิ่งนั้นน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักอาศาัยความใคร่ประกอบด้วยความกำนัง ใ, ในในวัตถุนั้นเนี่ยนะถ้าวัตถุกรมเนี่ยถึงบุคคลสมมติถ้าไม่ชอบแม้กระทั่งของสักในอาบายเนี่ยก็เรียกว่าวัตถุกรมเหมือนกัน แต่ก็คําว่าอบายเนี่ยนะเวมานิกระเพลิก เ, เาก็มีวิมานกันอยู่อยู่แล้วเนั่นก็ก็มีผู้ที่เข้าไปใคร่อีกเหมือนกันส่วนให่จะเห็นจะใช้คําว่ากามคุณห้าก็เลยเข้าใจว่ามีห้าอย่างสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เธออ่าบางอย่างถ้าเป็นวัตถุกรารมเนี่ยนะถ้าเป็นวัตถุกรารมหรือการมคุณโดยมากอธิบายถึงรูปเสียงเปลี่ยนรสผลิตภัณฑ์ถ้ากามคุณเนะี่ยพระนาคามีละได้ แต่ถ้าวัตถุกรรมแม้กระทั่งรูปปัจจานารูปปัจจานก็เรียกว่าวัตถุกรรมหมดอันั้นคําว่าวัตถุกรรมอันนั้นเนี่ยต้องเป็นผ้าอรหันต์ละได้ถ้ากรรมมาคุณห้าผ้านาคามีละได้ถ้าวัตถุกรรมผ้าอรหันต์ละได้ก็ก็ต่างกันในแง่นี้เหมือนกับการมูปาทานเนี่ยนะการมูปาทานเนี่ยคือยึดติดในกรรมไม่ใช่ติดเฉพาะกรรมมาคุณห้า หมายถึงติดแม้กระทั่งในสมถะวิปัสนาติดในรูปประจานารูปปัจจานก็เรียกว่าการมุปาทานหมดขอให้ชอบเหอะจะชอบแม้กระทั่งโดยที่สุดชอบอรูปปัจานก็ตามก็เรียกว่าการมุปาทานนะนะการมุปาทานเนี่ยกว้างกว้างกับการกว้างกว่ากามมรมฉันทานิบโณนีอคราวนี้ท่านเจาะจงว่าการมาคุณห้าเนี่ยแต่จะหมายถึงรูปธรรมอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าครับ ถ้ากลางการ ม, มาคุณห้าในะรูปที่เหลือถ้ากมดแสดงหมดแล้วสมมติถ้ารูปสวยๆถ้าขาดโอชาเนี่ยอะไรจะเกิดเสียงเพราะๆถ้าขาดโอชาขาดชีวิตตินรีขาดอะไรออกไปเนี่ยก็หมดรสชาติแล้วใช่ไหยในสิ่งนั้นเนี่ยเพราะนนั้ในสีที่น่าปราถนาเสียงที่น่าพอใจมันจึงมีรูปอื่นๆแวดล้อมโดยโดยสภาพของเขาเองอยู่แล้วเนี่ยนะ ถ้าอย่างเช่นในวัตถุสีที่น่าปราถนาะถ้าขาดชีวิตดินทรีก็ก็ไม่ไม่ชอบอีกนั่นแหละถ้าขาดโอชาเลยนะรูปที่น่าปราถนาะแต่ตัดโอชาออกไปก็ไม่ชอบอีกถ้ารูปที่น่าปราถนาะถ้าไม่มีภาวะอยู่ในนั้นอีกก็ก็ไม่ชอบอีกเนี่ยนะนั้นก็ถ้าใช้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยลักษณะาหาระเขาบอกว่ารูปที่เหลือเท่าประกล่าวหมดแล้วนั่นรูปธรรม ท, ทั้งหมดกล่าวหมดแล้วเพราะในถึงความเป็นรูปประคันเหมือนกัน อันนี้หนึ่งหนึ่งวรระที่หนึ่งนะยกเป็นตัวอย่างทั้งอาสาท่าอาทีนวะนิสรณะอ น, นะทีนี้ยกเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งขึ้นอาสาท่าใหม่เนี่ยนะอีกรอบหนึ่งว่าความปรารถนาเนืองๆซึ่งนาไร่เงินทองวัวม้าบุุษทาสคนรับใช้สตรีพวกพ้องหรือกามมคุณอีกหลายอย่างอันนี้ชื่อว่าอาสาท่าเนี่ยนะ ชาตินี้นะหลายคนเนี่ยฝันในเรื่องวัตถุกรรมไว้กันหลายๆเรื่องเนี่ยคนละหลายเรื่องอนะผู้ที่ฝันทั้งหลายแหล่เนี่ยเรียกว่าปรารถนาวัตถุกรรมอันนี้เป็นอา ส, สาทะนะหวังว่าคมว่าร้อนๆอยู่ถ้าได้อากาศเย็นๆคงจะดีอันนี้ก็ปรารถนาแล้วนะเพราะนั้นอั น, นันโดยที่สุดแม้แต่อย่างนี้นะหิวเมื่อไหร่ก็ปรารถนาอาหารเมื่อนั้นก็ปรารถนาวัตถุกรรมเนี่ยนะ ถ้าเน่สิ่งที่ที่ต้องการทั้งหลายแล่นี่นะแม้กระทั่งการพบปะเจอเจอกันัประชุมอะไรทั้งหลายแหลก็คือถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยโดยมากจะทําด้วยอํานาจของตันหาด้วยอํานาจของอสาวะเป็นหลักเนี่ยนะมีคนไม่กี่กลุ่มหรอกที่จัดเพื่อให้ประชุมกันแล้วจะได้ฟังสิ่งเพื่อจะออกจากกามเนี่ยนะมีวงนี้วงหนึ่งวงที่อื่นอีกนิดๆหน่อยๆที่เหลือเนี่ยประชุมกันเพื่อทํำยังไงเราจะได้วัตถุกรามเยอะๆบริษัทเข้าประชุมกันทําไม ทำยังไงปีนี้จะได้ผลผลิตมากขึ้นกาไรยิ่งขึ้นเนะี่ยะเขาจะประชุมกันเพื่อเอาวัตถุกรรมดังนั้นมีบริษัทนี้บางที่มาประชุมกันเพื่อเออเนี่ยวัตถุกรรมไม่ดีเนะี่ยจะออกแล้วอย่างนั้นเน่ยมีไม่กี่บริษัทอในโลกนีนะ่ในที่ประชุมทั้งหลายแหละเริ่มมีสองคนขึ้นไปเนี่ยที่คุยเพื่อออกจากการมหายากนะักก็โดยมากก็พูดเพื่อวัตถุกรรมเนี่ยนะก็ถามผู้การเนียผู้ที่มีประสบะการณ์ชีวิตยืนยาวนานพอสมควรเนี่ย บริษัทไหนบ้างประเทศไหนบ้างเขาคุยเพื่อออกจากวัตถุกรรมไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช่หมไม่เป็นปกลางก็บอกว่าวิชาเศรษฐศาสตร์เขาบอ ก, กต้องสนองความพอใจให้มากที่สุดใช่ไหมจึงจะประสบความสำเร็จมันก็สัเสนเซิลวัตถุกรรมทั้งนั้นแหละ